น่าจะยังอยู่ได้อีกนานแต่สองเดือนผ่านไปจนแล้วจนรอดก็ไม่มีเวลานั่งคิดนั่งเขียนจริงๆวันหนึ่งอยู่ดีๆก็นึกขึ้นมาว่าป่านนี้ผู้ป่วยที่ผมตั้งใจเขียนอะไรให้เขาได้ลาจากโรงนี้ไปหรื อ, อยังพอคำนวณเวลาดูก็รู้สึกว่าอาจจะสายเกินไปเสีแล้วจึงเกิดคําว่าเสียดายคนตายไม่ได้อาด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 ชีวิตถูกสร้างขึ้นโดยพระหัตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงมหิทธานุภาพก็จำต้องอาศัยบุคคลที่น่าเชื่อถือว่าเป็นตัวแทนพระองค์มาให้คำเฉลยว่าพระองค์ต้องการให้เราใช้ชีวิตอย่างไรตั้งศรัทธาไว้แบบไหนห้ามทำอะไรควรทำอะไรไมิฉนั้นแล้วเราจะมีชีวิตอยู่อย่างคนบาปผู้ไม่รู้อิโนอิเนไปจนตา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 ไม่ต้องฟุ้งซ่านวกวนได้ทั้งวันซึ่งแค่นั้นแม้ยังไม่บรรลุมัดคุณก็สมควรจัดตนเองเป็นบุคคลผู้มีความสุขที่สุดในโลกได้คนหนึ่งแล้วไม่ใช่หรือหากกล่าวว่าเสียดายคนตายไม่ได้อ่านฉบับปฏิรูปคือการเขียนใหม่เกือบทั้งหมดก็คงไม่ผิดเพราะทั้งปรับแก้โครงสร้างทั้งตัดตอนของเดิมเพิ่มเติมของใหม่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 พันวาคม2552